อยากให้มันทุกจะได้เห็นจะได้รู้มันก็เจ๋งตรงนี้มันก็ติดตรงนี้ไปไม่มีอะไรที่มามันก็ติดตัวรูไปต้องง่ายเลยป่ะน่ะถ้ามีสภาวะที่รู้เป็นเจ้าเรือนเป็นหลักเสาเขื่อนได้แล้วก็ไม่หวัดไหวในจิตการทั้งกวงอย่าทิ้งทิ้งควงคว้างตามดูยิ่งดีเลย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 ปั่นขา น, น้าเลยบอ <laughs> ต้องมีอินรี่ห้าเหมือนเวอเทียมเกียไนไนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องมีศรัทธาเป็นทูลให้มีความศรัทธาแย่เบื่อนายว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วศรัทธาเป็นเนื้อนาวุริยะใส่ใจที่ทำความดีอย่าท้อถอยสติมีสติลงไป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 ว, วัวคูนั่นไปแล้วพอไปนอพัดตีกันเลยอายใหญ่สิบเดือนเลมันอยากได้กว่าแล้ววัวนะต้องเอามาเทียมเกียนชุดผัดเดินไปคู่วางกีบัววางตัวมันไม่ก้าปวดแอกต้องเอาคู่นี้มาใส่ดึงไปถ้าไปขายข้าน่ถ้าวัวคู่นี้ไม่ไปมกกักจะไม่มีใครไปแต่ว่าเท่านั่นไปบอเออเท่านั่นไปที่ไปอยู่ พราะว่าอาศัยแห้ชุดเกียร์ไปก่อนเรากวนกันนะบางทีนี่อ่อนแอง่วงนอนนี่นก็หลับแล้วหาวิธีจี้หลับแล้วหาตาเราจะไปไหนเนาะอดนอนหลับที่ไหนเนอะน่อยนั้นก็ก็อยเขา้าที่นอนหลับไปเลยไม่สู้สักหน่อยเหมือนวัวไม่เอาเกวียนไม่เอาอยากนิดหน่อยก็ไม่สู้แล้ว